มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนะครสนุกสราณเริ่มรมเขารอมาชื่นชมฟันเทิงเรืองใจเหน็ดเหนื่อยการงานบ้านใดนำถึงไปไม่ควรเก็บมากัง จะนำพาชีวิตเราไม่เหงาไม่เศร้าเดียวดายสนุกสุเพลิงชีวาเสียงไปตัวราช า, าพาเพลินใจกายพี่และน้องเพื่อนพ้อมเรามารื่เร น, รนเริงสนุกสรานเริงรมเขาเรามาชื่นชมบันเทิงเรื่องใจ เ ห, เหนื่อยการงานบานใดนับถิ่นไปไม่ควรเก็บมากังวลราชฎรมองคลเรามารวมใจเลืนเริงกันให้สบายอุราสุขก็จะนําพาชีวิตเราไม่เงาไม่เศร้าเดียวดายสนุกสุเริงชีวาเช่นไปตัวราชาพาเพลินใจกายดีและน้องเพื่อนท้องประมารื่นเริง สวัสดีครัผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการที่รวบรวมเรื่องราวข่าวสารของก้าวราชมงคลกับที่นี่ RMUT ค่ะพบกันกับดิฉันรศิสาต ร, ตรกุลเงกนะคะทุกวันจันทร์ช่วเวลา1นึรายารนาทีโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 สิบมเกค่ะและในวันนี้ก็มีหลากหลายข้อมูลข่าวสารเช่นเคยนะคะที่นําเสนอผู้ฟังกับ3ช่วงรายการค่ะเริ่มกันที่ช่วงแรกกระเปิดบ้านราชมงคลค่ะ ช่วงนี้นะคะก็เปิดบ้านราชมงคลค่ะมีสองกิจกรรมของน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีที่ได้รับโอกาสนะคะเข้าร่วมงานใหญ่ระดับชาติมาฝากกันนั่นเองค่ะในกิจกรรมแรกนะคะนักศึกษาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีหรือมอทรทัญบุรีค่ะโชว์ศักยภาพร่วมเป็นล่ามสามภาษาจากการจัดบริการงานเลี้ยงในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35นั่นเองค่ะ นักศึกษาคณะศิลปาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะร่วมเป็นล่ามภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นและเกาหลีรวมถึงร่วมจัดบริการอาหารงานเลี้ยงเพื่อดูแลผู้นําชาติต่างๆในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 2-4 พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะณศูนยะ์แสดงสินค้าการประชุม i ิมแพกเมืองทองทานีภายใต้แนวคิดร่วมมือร่วมใจก้าวไกล ย, ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นโอกาสและก็ประสบการณ์ที่ดีนะคะในการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานระดับชาติในกรังนี้นเองค่ะนางสาววันวิสารุ่งเรืองค่ะนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้บอกว่า ตนและเพื่อนๆในสาขาวกว่า15คนนะคะได้ร่วมกันเป็นล่ามภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นรวมไปถึงภาษาเกาหลีนะคะบริเวณจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมค่ะปฏิบัติงาน3วันด้วยกันค่ะเนื่องจากการประชุมดังกล่าวนะคะต้องใช้ความปลอดภัยระดับสูงและก็เป็นมาตรฐานดังนั้นภาษาและทักษะการสื่อสารจึงสําคัญอย่างยิ่งค่ะรวมถึงการมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในแต่ละชาติมารยาทการตรวจคน้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือและแสดงออกการเป็น เจ้าบ้านที่ดีด้านงานการจัดบริการอาหารเลี้ยงหรือ catering ค่ะซึ่งทํางานร่วมกับศูนย์ประชุมอิมแพกนายณัฐพงศ์กุลมาค่ะนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาการจัดการโรงแรมนะคะได้บอกว่าการร่วมงานในครั้งนี้ได้มีส่วนร่วมในการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มรวมกับเพื่อนในสาขาประมาณ60คนค่ะอันนี้เป็นงานที่ต้องเตรียมพร้อมหลายๆด้านนะคะทั้งบุคลิกภาพการแต่งกายการใช้ทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่มแบบมืออาชีพอีกด้วยค่ะ อีกกิจกรรมหนึ่งนะคะของ5้านักศึกษานาตาสินไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีหรือมทรอธัญบุรีนะคะร่วมแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนสืบมันคามูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพ 2,562 ในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ นักศึกษาภาควิชานาฏตัดูระยังคศินสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีหคนนะคะได้เข้าร่วมแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสืบมันค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพ 2,562 ในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงโดยหนึ่งในนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกนะคะนางสาวกัญญาตู้พิจิต นักศึกษาชั้นปีที่สามได้บอกว่าได้รับโอกาสเข้าร่วมแสดงโขนเป็นครั้งที่สามค่ะถือเป็นเกียรติและสร้างความภูมิใจเป็นอย่างมากโดยได้รับบทบาทนะคะเป็นนางบุตรสมาลีตั้งใจฝึกซ้อมและเต็มที่กับการแสดงค่ะนำศาสตร์ที่ได้เรียนนะคะมาใช้อย่างสุดความสามารถซึ่งนอกจากประสบการณ์ที่ได้รับแล้วเนี่ยยังได้รับความรู้จากครูศิลปินแห่งชาติอีกด้วยที่ได้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆมาให้ค่ะ เป็นความรู้ที่สะสมประสบการณ์มานานนะคะสามารถนําไปปรับใช้ในการเรียนนําไปสอนและเล่าเป็นประสบการณ์ในการแสดงโขนให้กับนักเรียนที่ตนเองจะออกไปฝึกสอนต่อไปได้อีกด้วยค่ะทางด้านนายเอกรัตอุ่นกงราศนะคะนักศึกษาชั้นปีที่3ได้บอกเพิ่มเติมนะคะว่ามีการเตรียมตัวและพัฒนาตนเองอย่างมากค่ะเพื่อเข้าร่วมคัด ตัวนักแสดงตั้งแต่เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยซึ่งในปีนี้เนี่ยคิดว่ามีความพร้อมจึงเข้าคัดเลือกแล้วก็ได้รับคัดเลือกอีกด้วยค่ะโดยรบกบเป็นเสนายักษ์นะคะโดยความมั่นใจและท่าทางค่ะทําให้ตนเองได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ถือเป็นเกียรติกับตนเองและครอบครัว ม, มากๆภูมิใจที่ได้เรียนโขนและได้เข้าร่วมแสดงโขนพระราชทานนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้นะคะจากการเข้าร่วมการแสดงครั้งนี้มาปรับใช้นําไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์หลังจากที่ สำเร็จการศึกษานั่นเองค่ะ สำหรับการแสดงโขนนะคะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอนสืบมันคาค่ะเปิดการแสดงตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ห้าธันวาคมสองพณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ที่ไทยทิเคตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะหรือที่เว็บไซต์ w w w t ์บายเว็บไท a ทิ r c o m ติดตามข่าวสารได้ทางเพจ Facebook นะคะ โค้ดเพอร์ฟอร์แมนซ์โค้ดมูลนิธิส่งเสริมศิลาปาชีพนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามรอบรู้ก้าราชมงคลกันค่ะ RMU TT Farm Shop ยินดีดต้อนรั บ, รบค่ะ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 ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999เข้าสู่ช่วงนี้กับรอบรู้9้าราชมงคลนะคะติดตามความคืบหน้าข่าวสารต่างๆกับ9ราชมงคลกันค่ะมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากนะคะส่งมอบเครื่องขัดแยกสาวรดแก่เกษตรกรโครงการหลวงผาพึ่งสีคิรีรักนั่นเองค่ะ ดรสุนธยาทองอรุณศรีผู้ช่วยอธิการบดีมทรล้านนาตาพร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ส่งมอบเครื่องคัดแยกสาวรสให้แก่ชุมชนหมู่บ้านผาพึ่งและบ้านสีคิริรักโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาพึ่งสีคิริรักสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนให้เกษตรกรใช้เป็นเครื่องทุนแรงและประหยัดเวลาในการคัดแยกผลไม้ประเภทสาวรสเมื่อวันที่12พฤศจิกายน เมื่อวันที่12พฤศจิกายน2562ณมทรล้านนาตากอาจารย์ไกลสอนวงปู่อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ผู้จัดทำเครื่องคัดแยกสวรสเปิดเผยว่าโครงการนี้เริ่มจากนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรของจังหวัดตากโดยนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากในขณะนั้นพบว่าชาวบ้านมีการส่งเสริมการปลูกผลไม้ประเภทสวรร ซึ่งทางโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบปัญหาที่เกิดขึ้นหลังการเก็บเกี่ยวคือต้องใช้เวลาคัดแยกผลไม้นานดังนั้นผมและอาจารย์เชยียนคำบัน ล, ลือจึงได้เข้าร่วมโครงการโดยได้ผลิตเครื่องมือสําหรับอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรซึ่งกลไกาการทํางานของเครื่องคัดแยกสวรส ถ, ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกษตรกรใช้งานง่ายโดยสวรสจะไหลาตามพื้นลาดเอียงลงสู่แนวกัน้น เพื่อบังคับทิศทางให้หมุนลงจานสำหรับคัดแยกขนาดซึ่งมีทั้งหมด6ขนาดและใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในการทำงานสามารถคัดแยกเสาวรสในขนาดเท่ากันได้มาตรฐานและช่วยประหยัดเวลาให้แก่เกษตรกรด้วยธริตีธนรัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงาน ทางด้านคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิายทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะบันออกวิทยเขตจันท บ, บุรีร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบริการวิชาการค่ะเมื่อวันที่18พฤศจิกา ย, ยน2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรีร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรกับบริษัทสยามไมโคโจรจำกัดมหาชนโดยมีผู้ช่วยศาสต ร, ราจารย์ดรเทิดศัก์ปุระมงคลคณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสต ร, ราจารย์ดรนรุมลมงคลธนวัฒน์รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้ลงนามความร่วมมือร่วมกับนางสาวสุปริยาศรีสุขดีร ของผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและนางเฉลิมรักไก่สีผู้จัดการอาวุโสบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนณบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนสำนักงานใหญ่ถนนพัฒนาการเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานคร ในการนี้ยังมีนายจิรวัตรณัพัฒลุงรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษและดรบัญชาวเวียงสมุทรอาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วยโดยการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและอาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติงานณสถานประกอบธุรกิจจาหน่ายอาหารและสินค้าบริโภคชั้นนําของประเทศ ทำให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านกระบวนการการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ การควบคุมมาตรฐานคุณภาพอาหารและการบริการจัดการด้านเทคโนโลยีการผลิตสัตว์วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์และประมงตลอดจนการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรซึ่งจะเป็นการผลิตนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรให้ตรงกับความต้องการของบริษัทและอุตสาหกรรมอาหาร2เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการและด้านงานวิจัยของอาจารย์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทในการช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนัฐพลดีอุดทีมข่าววิทยุราชมงคลรายงานรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีแนะกยศเพิ่มสาขาให้นักศึกษากู้เรียนหลักสูตรพันใหม่วิศวะโลจิสติก ค, ค่ะ นายวิรตวัต์โหตวยสยะรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกล่าวว่าจากการที่คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศอ ออกประกาศเรื่องกำหนดลักษณะของเงินกู้ยืมขอบเขตการให้เงินกู้ยืมประเภทวิชาสถานศึกษาและหลักสูตรที่จะให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา2562ฉบับที่6นั้นพบว่ามีบางสาขาวิชาที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติซึ่งอาจส่งผลต่อนักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์รวมถึงผู้ปกครองที่ต้องจัดหาค่าใช้ใจ่าย เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนจึงอยากให้คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศทบทวนการพิจารณาหลักสูตรอีกครั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทีในด้านการศึกษาเนื่องจากหลายสาขาวิชาที่เปิดใหม่เป็นสาขาที่มีความต้องการเป็นหลักและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศอย่างเช่นหลักสูตรทันใหม่มทรธธญบุรีทั้งหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการการบินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบรางด้วยในปีการศึกษา2562มหาวิทยาลัยได้ยื่นเรื่องไปยังกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศเพื่อขออนุมัติเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มอีก11สาขาวิชาล่าสุดปรากฏว่าได้รับอนุมัติเพิ่มอีก3สาขาวิชาคือหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมสิงห์ทอ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบนนรรจุภัณฑ์ณัทพลดีอุดทีมข่าววิทยุราชมงคลธันญบุรีรายงานทางด้านนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโยีราชมงคลพระนครนะคะได้รับรางวัลพระราชทานประเภทนักศึกษาทั่วไปค่ะ รองศาสตราจารย์สุภัทราโกศัยยการนนท์รักษารารชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเปิดเผยว่านับเป็นเกียรติยศอันสูงสุดและความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่นางสาวปรียาวีรุ่งรัตนาชัยได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทานประเภทนักศึกษาทั่วไปโดยได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากสนเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรายกิตยาภา นเรนทิราเทพพยาวดีกรมรรณราชสารินีสิิพัตน์มหาวชิราราชธิดารางวัลพระราชทานนี้เป็นการส่งเสริมการศึกษาของชาติและขวัญกำลังใจแก่นักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดีมีความมานะพยายามในการศึกษาเล่าเรียนมีผลการเรียนดีมีคุณธรรมจริยธรรมสมควรเป็นต้นแบบของเยาวชนของชาติเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานเกติบตัตเข็มเชือดชูเกียรต และเงินรางวัลพระราชทานและนับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรมทรงนำพระราชปารภของพระบาทสมเด็จ พ, พระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญและพระราชทานรางวัลเพื่อขวัญกาลังใจแก่นักเรียนนักศึกษาให้เป็นต้นแบบของเยาวชนของชาติต่อไป นันทนาสีมาวิทยุราชมงคลพระนครรายงานปิดท้ายกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะจัดโครงการแสดงผลงานศิลปกรรมเพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาศิลปะของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ครั้งที่สองค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสอง สมรมบันดิตกิติมศักดิ์และวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะนากสรศิล์จัดโครงการแสดงผล ง, งานศิลปรกรรมเพื่อจัดตั้งกองทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาศิลปะครั้งที่สองโดยมีพลเอกจารันกุ ล, ลวนิดนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะนาการศิล์กล่าวแสดงความยินดีในการจัดงานอาจารย์วัชรีศิวารักษ์รองอธิการบดีกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงาน ดรสมศักดิ์วาทินชัยประธานชมรมบันดิตกิติมศักดิ์กล่าวรายงานและความเป็นมาของการจัดงานโดยได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์จตุมมงคลสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดณอาคารอัญชปัญญาบริษัทสากุลักิ์ไทยแลนด์จำกัดซึ่งงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-24 พฤศจิกายน2562 สำนักงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะตะโกศิน์รายงานคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามเรื่องราวของข่าวสารงานวิจัยกันค่ะเพื่อนเอ้ยรุ่นใหญ่อย่างพวกเราอาบน้ำร้อนมาหลายสิบปีอย่าไปยอมให้ใครมาหลอกง่ายงพวกข้อณสนอชวนเชื่อเนี่ยหน้าชื่นอกรมมนักต่อ น, นัก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 ผลงานการคิดค้นของอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหากรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิค่ะโดยปลานะคะจัดว่าเป็นอาหารอันดับต้นๆที่เรานึกถึงค่ะเมื่อต้องการควบคุมน้ำหนักหรือว่ารักษาสุขภาพนั่นเองเนื่องจากมีข้อมูลทางวิชาการยืนยันว่าปลาเนี่ยเป็นเนื้อสัตว์ ที่มีอันตารายต่อร่างกายเนี่ยน้อยมากๆค่ะแล้วก็เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากๆเช่นกันทางด้านคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะคะจึงได้คิดสูตรแปรรูปไสกรอกที่ทำมาจากปลาขึ้นค่ะโดยใช้ปลาดุกแปรรูปเป็นไสกรอกปลาค่ะเนื่องจากปลาดุกเนี่ยเป็นปลาที่ให้ประโยชน์ต่อสุขภาพ มีปริมาณแคลอรี่และไขมันต่ำธาตุปรอดต่ำค่ะมีทั้งวิตามิน B12 โอเมก้า3และโอเมก้า6ิค่ะซึ่งเป็นกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวที่ร่างกายของเราเนี่ยสร้างเองไม่ได้สามารถช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้อีกด้วยค่ะ โดยอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรรณภูมินะคะอาจารย์สเสน่บัวสนิทได้บอกว่าไส้กรอกปลาเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำสัตว์น้ำเนี่ยมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับปลาได้เราสามารถแปรรูปได้หลายผลิตภัณฑ์ค่ะ สำหรับในการทำไส้ ก, กรอกปลาดุกนะคะต้องคัดเลือกปลาดุกที่มีไขมันน้อยเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยปลาดุกจะใช้ทำเมนูอาหารก็คือมักจะเป็นปลาดุกรัเสเซียนั่นเองค่ะ สำหรับขั้นตอนการทำไส้กรอกปลาดุกนะคะมีส่วนผสมอันดับแรกนั่นก็คือต่อมาคือ น, นมผงนะคะซึ่งนมผงเนี่ยจะช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์แป้งมันค่ะช่วยเติมส่วนผสมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและให้เนื้อเนี่ยเหนียวขึ้นด้วยน้ำมันนะคะเพื่อให้เนื้อปลาดุกเนี่ยรวมตัวกันเกลือค่ะคุณสมบัตินั่นก็คือไปสกัดโปรตีนที่มีอยู่ในเนื้อปลาออกมา ฟอสเฟตนะคะจะมีคุณสมบัติที่ช่วยอุ้มน้ำที่อยู่ในเนื้อปลานั่นเองน้ำตาลทรายนะคะซึ่งจะช่วยปรับปรุงรสชาติให้ผลิตภัณฑ์มีรสชาติที่ดีขึ้นกระเทียม พลิกไทยดอกจันทน์เป็นส่วนผสมในการเพิ่มรสชาติเช่นเดียวกันค่ะเมื่อนำส่วนผสมมาปั่นเข้ากันทั้งหมดจึงจะได้ส่วนผสมที่เหนียวขึ้นและนำไปอัดไส้ผูกเป็นท่อนๆนำไปต้ม15นาทีจึงแช่ในน้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิระหว่างน้ำร้อนกับน้ำเย็นเป็นการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ค่ะ สำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจสูตรอาหารหรือว่าต้องการเรียนรู้การทำเส้กลอกประดุกนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่อาจารย์สเนสน่บัวสนิท0830435145ค่ะหรือที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรรณภูมินะคะหมายเลขโทรศพัพท์035709096นั่นเองค่ะ คุณผู้ฟังคะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารรอบรัราชมงคล น, นั่นเองค่ะติดตามรับฟังรายการข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นรอบรัวราชมงคลกันใหม่ในครั้งหน้านะคะกับที่นี่ R MUT พร้อมกันกับดิฉันดาริสาตรากุลเกกพร้อมทีมงานทุกท่านขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังในวันนี้ด้วยนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ FM 89.5 สิบมกะสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี ชีวิตเดินทางมัน สเ 7.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีรับฟังออนไลน์ที่ทาง www.radio.rmutt.ac.th โทร026917738